ธรรมชาดกแผ่นที่หนึ่งลำดับที่สิบก้าโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่สิบกรกฎาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบสามมีชื่อเรื่องว่าพระพาหิยะผู้รู้ได้เร็ววันนี้หลวงพ่อได้นัด นากที่จะบวชปีนี้แหละปี2553เนี่ยนัดเข้ามาวันที่วันที่สิบตรงกับวันเสาร์หรือวันที่สิบหรือวันที่สิบเอ็ดก็ได้สองวันเพื่อเตรียมพร้อมกันทางว่ามาช้าเกินไปการฝึกขานนา ก, ก็จะ ถูกคลักเพราะนั้นให้มาถ้าจะบวชก็ให้มาวันที่ 10.11 นะแล้วก็จะบวชจริงก็วันที่17จะบวชใช้เวลาการฝึกขานนาคอยู่เจวันจากนั้นก็เข้าพรรษาเข้าพรรษาวันที่26วันที่ 26.27 เเข้าพรรษา เป็นวันอธิษฐานพรรษาจริงแต่วันอสารหบูชาวันที่ยี่สบหดูปีนี่ยยี่สบหกกรกฎาห้าสามเป็นวันอสารหบูชาวันที่ยี่สบเจ็ดเป็นวันอธิษฐานพรรษาของพระแต่ถึงยังไงบวชวันที่สิบเจ็ดจากนั้นไปเราก็จะได้ท่องคําอธิษฐานพรรษาท่องวิธีแสดงอาบัติ คงจะได้ท่องใช้ความจําพอสมควรเพราะฉะนั้นขอให้พระที่เกี่ยวข้องพระพี่เลี้ยงทั้งหลายนะ่าให้ช่วยชวยกันดูเรื่องบริการอัตตาบริการของนาคทุกคนให้ได้ขนาดถ้ามันขาดเรือขาตกบอกหลวงพ่อ <Yeah. S 1> ถ้ามันขาดนะมีความจําเป็นจะได้ใช้ก็บอกมันขาดอะไร แตถ้ามันไม่ขาดก็เอาใช้ของวัดของเราเนี่ยแหละมันมีอยู่แล้วนะผสมประสานกันแล้วก็เมื่อนาคเข้ามาวันนี้นะให้ช่วยๆกันดูลวงพ่ออาจจะไม่ได้อยู่วันนี้เพราะลงพ่อจะออกจากวัดไปงานศพจะประชุมเพลิงวันนี้ตอนบ่ายลงพ่ออาจจะไม่ได้อยู่เพราะนั้นนาคเข้ามาขอให้พวกพระช่วยๆกันดู แล้วก็จัดที่พักผาา้าใสยแล้วก็บอกให้ญาติของนาคทราบด้วยหลวงพ่อไม่ได้อยู่รับนาคนะในเมื่อนาเข้ามาแล้วก็ฝึกขานนาคเลยละ่ะไม่ต้องรอจัดเป็นหมวดหมู่อย่างที่พวกเราเคยทำนะพอเราทำมาหลายรุ่นแล้วจากนั้นก็พวกพระก็ควรจะให้ความอื้อเฟื้อกับนาค หานังสือบ้างพุทธประวัติบ้างสาวกประวัติบ้างอันไหนที่นัเขาจะได้เรียนรู้เราก็ยื่นให้เพื่อเขาจะได้ศึกษาอันนี้เป็นหน้าที่ของพระเก่าพระพี่เลี้ยงจะต้องดูแลน้องๆที่เข้ามาใหม่ไม่ใช่ก็เข้ามาแล้วก็มานั่งจุกปกคิดถึงแต่บ้านตีเรือนไม่ได้มาศึกษาอะไรนั้นไม่ได้นะ เราต้องเอาหนังสือให้หนังสือธรรมะให้พุทธประวัติให้สาวกประวัติให้เอาหนังสือประวัติของครูบาอาจารย์ประวัติหลวงปูมั่นปฏิปทาพระตุรงค์กรรมาฐานเพื่อการศึกษาเพื่อการเรียนรู้แล้วก็ที่พักพาอาศัยจะให้พักที่สลักเก่าก่อนถ้ามันเหลือถ้าเหลือก็คงจะไปพักนู่นละกุตีแม่ปอก็ได้นะทํามาหลายคน แต่หลวงพ่อก็ไม่ ไ, ม ไ, มได้ไม่ได้บอกว่ากี่คนนะ่ะแต่ไม่น่าจะเกินสิบคิดว่านะแต่วันนี้และ ว, วันพุ่งนี่แหละจะรู้ได้หรือวัาจำฟันจาพรรษานะนะั่นแะวันเขนะ้าพรรษาจะรู้ได้ว่าพระใหม่ของเรามีกี่องค์เพราะว่าผู้ที่แสดงความจำนงแต่ก่อนหน้านี้หลวงพ่อก็ เวลาใครแสดงความจำลองว่าจะบวชหลวงพ่อก็ลงในสมุดเอาไว้ว่านาคที่ไหนอยู่ที่ไหนออายุเท่าไรทาอาชีพอะไรหลวงพ่อจะจดๆเอาไว้แต่พอต่อมานาค ก, ก็เบี้ยวหลวงพ่อทไงว่าจะมาบวชแต่มันติดภาระทุระมาไม่ได้บางทีพ่อแม่เจ็บไข้ได้ป่วยบางพ่อแม่ล้มหายตายจากบาง ธุร ก, การงานไม่ราบรื่นบ้างฮงปุณณิโสกเลยมาบอกหลวงพอ่อหลวงพ่อผมไดมากราบหลวงพ่อในครั้งก่อนนี้ว่าผมจะมาบวชที่วัดตลงพ่อผมบวชไม่ได้ฮงบางคนก็ปีที่สองยังค่อยมาบวชแต่ก็มีเพราะนั้นหลวงพอ่อก็เลยไม่ได้ถือว่าเป็นสาระในการกล่าวครั้งแรกว่าจะมาบวชตลงพ่อจะเอาวันเนี้ยเอาวันที่นัดมาเจอกันนี่แหละ เป็นวันมาพบกันใครจะบวชหือใครจะไม่บวชถ้าพูดมดไปแล้วก็ปิดติดธุระอย่างที่ลุงพ่อได้พูดให้ฟังนั่นนะก็เลยไม่ได้ใส่ใจเพราะนั้นถ้าถามว่าลุงพ่อทาไมพูดที่จะมาบวชลุงพ่อจึงไม่รู้น่ยก็เพราะเหตุเหตุที่ลุงพ่อได้พูดไว้นั่นหละบางคนก็ปิดธุระมาไม่ได้เพราะนั้นลุงพ่อก็เลยไม่ได้จดได้จาไม่ได้บันทึกเอาไว้ ผู้ที่จะเข้ามาบวชกันเนี่ยวันนี้ละวันพรุ่งนี้ผู้ใดมาแล้วก็บผู้นั้นละบวชถ้าใครไม่มาก็ไปว่าแล้วไปเมื่อเข้ามาบวชแล้วก่อนช่วยช่วยกันดูกุฏิหลังไหนก่อนที่จะบวชให้พาไปดูกุฏิใครจะยึดหลังไหนใครจะเอาหลังไหนกุฏิล้านนะ่ะแล้วก็ช่วยวยกันทำความสะอาดด้วยอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเมื่อวาน มีมดมีอะไรไหมบางคนก็จับเข้าไปกับมีมดนพระพี่เลี้ยงก็เพียงแต่วัดหลับหูหลับตาไปดูแล้วกันนี่แหละกุฏิทั้งนี่แหละแต่ตามให่จริงมันน่าจะดูข้างบนข้างล่างมีมดไหมถ้ามีมดจะแก้ไขยังไงเพราะเราเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของถิ่นเรารู้จักวิธีการรักษา้เราทําความสะอาดยังไงเราจะกันมดได้อย่างไรหน้าที่ของพระพี่เลี้ยงต้องดูความเรียบร้อย ดูความพร้อมพ่อนาคเข้ามาใหม่เนี่เหมือนกับเราไปต่างถิ่นอย่างนั้นแหะไปหาไปถึงเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านไม่ให้ไม่ให้ความอื้อฟื้อเอออารีมันก็ห่อเหี่ยวนะไม่ว่าเขาว่าเราเพราะนั้นนาคที่เข้ามาใหม่เนี่ยกับพวกเราที่เป็นพระผีเลี้ยงตรงช่วยดูอันนี้แหละคือทายาททายาทของพระพุทธศาสนาทายาทของพวกเราถ้าเรา มีหมูมีเพื่อนมากมีหมูมีคณะมากมก็เป็นผึกแผ่นมั่นคงแต่ถ้าพวกเรามีหมูน้อยก็อย่างว่านั่นแหะหาความแน่นหนามั่นคงไม่ได้อันน่นแหลคือเขาสมัครใจเข้ามาเป็นทายาทเราเราก็ต้องให้ความเอื้อเฟื้อเอื้ออารีดูแลรักษาอำนวยความสะดวกให้แก่นาคที่เข้ามาะ อันนี้คือนาทีพระผีเลี้ยงนะก็คงจะใช้เวลาไม่นานคงไม่กี่วันแต่เวลาเราปล่อยปละละเลยไม่ได้ภาวนาก็ยังมีอีกมากกว่านั้นอันนี้เรามาใส่ใจจุดนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลของพวกเราติดพบติดชาติอีกต่างหากถ้าว่าเราไม่พ้นทุกภาวนาไม่พ้นทุกในภพนี้ชาตินี้เราก็ยังเป็นอุปนิสัยได้ดูแลเอื้อเฟื้อเอื้ออารีต่อผู้ที่จะเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนา ถ้าว่าท่านเขามาบวชแล้วบวชมาตลอดไม่ลาศิกขาท่านภาวนาจนในสำเร็จมรรคสำเร็จผลอันนั้นก็เป็นบุญเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่อีกต่างหากเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราใส่ใจนะพวกพระทุกองค์ปล่อยปลาละเลยหลวงพ่อเนี่ยถ้าไม่พูดเฉลยก็พวกครัวพวกเราทั้งหลายจะชลาใจว่า ง, งั้นจะไม่ได้ให้ความสนใจ ถ้าว่าพูดขึ้นไปกสมมือนกับตุกจุกจุกจิกพิถีพิถันแต่ตามไม่จริงหลวงพ่อเนี่ยพิถีพิถันจริงๆไม่ว่าอยู่วัดหลวงตาถ้าใครจะเข้ามาบวชหลวงพ่อจะต้องเป็นพระพี่เลี้ยงให้ดูแลให้ขาดเรือขาดตกอะไรเพราะฉะนั้นถึงเขาจะบวชแล้วลาสิกขาไปแล้วหลวงพ่ออยู่ที่นี่เขาก็ยังตามมาหาเพราะเหตุใดเพราะว่าหลวงพ่อเป็นพระพี่เลี้ยงให้เขาในสมัยเมื่อเขาบวชใหม่ พราะมันว้าวยจริงๆมันว่างอ้าวว่างอ่ะมันเงียบเหงาอ่ะคิดถึงบ้านก็คิดถึงบ้านและเกิมองดูกูบาองค์ไหนก็ไม่พูดไม่เสียวนาไม่พูดไม่จาดด้วยเฉยเฉยเมยเมยแต่ท่านก็ไม่ได้เกลียดใจชังอะไรหรอกคือกฎระเบียบของพระกรรมฐานเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ประจอประแจแต่พูดคุยทั้งวีทั้งวันไม่ใช่อย่างนั้นแต่ท่านคนนิ่งเฉยมีอะไรก็พูดแต่พวกนาคที่เข้ามาใหม่ มันวางตัวไม่ถูกเห็นเพราะฉะนั้นเราที่เป็นพระปีเลี่ยงก็ควรจะเ อ, อื้อเฟื้อเอื้ออารีอย่างที่หลวงพ่อได้พูดนั่นนหะบอกกล่าวแนะนําสั่งสอนเวลาทํานั้นเวลาทํานั้นเวลามาดื่มน้ําเวลาเท่านั้นบินธบาตเวลาเท่านั้นทานอาหารเวลาเท่านี้ก็บอกอย่างนั้นก็ให้ท่องหนังสือท่องอย่างนี้อย่างนี้ฝึกซ้อมอย่างนั้นอย่างนั้นสิ่งเหล่านี้แหละขอให้พวกเรา ท, ทุกท่านนะ พระเนนพระทุกองนะให้ช่วยกันดูแลพระใหม่นาคใหม่จากนั้นก็เอาหนังสือให้แล้วก็บริขานต้องช่วยๆกันจัดนะบริขานช่วยกันจัดพวกบาทพวกจีบอลของบริขานทั้งหลายท้าว่าขาดเหลือทามันขาดมันไม่พอครับหลวงพอ่อก็บอกผมนะบอกหลวงพอ่อหลวงพ่อจะได้ไปเอามาให้หรือสั่งเอามาให้ อย่างมันมีอยู่แต่ถ้ามันมีแล้วก็ไม่ต้องสั่งเข้ามาเพราะมันมีอยู่แล้วนะเพราะนั้นขอให้พวกเราช่วยกันดูนะพระดืองบริขารพระพายะทารุจริยะนะพระในกั้งพระพุทธเจ้าของเราบวชให้ศาสนาของพระพุทธเจ้ากัตสปะอายุยืนถึงสองหมืนปีพอท่านบวชเสร็จแล้วท่านกขึ้น ไปไปด้วยการเจ็ดองค์ขึ้นไปบนยอดเขาไปภาวนาอยู่บนยอดเขาให้ข้าทําบันไดทําบันไดขึ้นเหมือนกับบันไดนกนางแอน่นขึ้นไปเอาไปเอาถ้าอย่างนั้นอนะ่ะพอไปถึงถ้าแล้วก็ผักบันไดยอย่างว่านะี่ะอันนี้ท่านขึ้นไปบนยอดเขาท่านก็ผักบันไดพอผักบันไดเสร็จแล้วก็เอา้าใครอยากจะอยู่ ใครจะลงก่อนที่จะก่อนที่จะผักบันไดนะมีคนลงไหมจะมีผู้ลงไหมไม่ลงครับม า, าไม่ลงผักบันไดนะเออพักผักบันไดเข้าหมอ่อมเอาต่างองค์ต่างอยู่นะต่างภาวนาของใครของเรานะบนยอดเขาเนี่ยพอองค์ที่เป็นหัวหน้าท่านภาวนานได้สําเร็จเป็นพระอาหารหันในคืนนั่นนะไงพระอริสินสาเร็จเป็นพระอาหารหันท่านก็เหาะได้เลยท่านก็ไปบิณทบาต กลับมาก็บอกเอ้ยพวกท่านทั้งหลายผมบินธบัตผมไปบินธบัตมาได้แล้วนะเอาเนื้อมนมาฉันไพวกพระทั้งหลายตั้งได้ตั้งกฎกติกากันไว้ว่าถ้าหากว่าองค์ไหนบินธบัตเหาะไม่ได้ไม่ต้องฉันจะไม่ฉันองค์ไหนที่ได้ไปได้ค่อยฉันพวกเราไม่ใช่ตั้งกฎกติกากันไว้แล้วหรือว่าองค์ไหนไปได้ค่อยฉันองค์ไหนไปไม่ได้ไม่ฉันใช่เราได้ตั้งกฎ กันไว้อย่า ง, งานั้นท้ายงานเอาพวกท่านทั้งหลายตั้งใจภาวนานะพวกเราทําถูกท่องแล้วละ่ะถูกทางแล้วละ่ะที่เราได้ศึกษามาันเอถูกทางแล้วผมได้แล้วผมจะไปแล้วนะองค์นั้นก็ไปองที่สองมาอีกวันที่สองอีกได้พระอนาคามีได้สําเร็จเป็นพระอนาคามีวงนี้กับบิณฑบาตเหาะได้อีกเหมือนกันมาให้ชวนหมู่ชั้นหมู่ไม่ชั้นองค์นั้นก็ไปอีกเลย ยังเหลืออยู่ห้าทีนี่ภาวนาอยู่บนยอดเขาโพนิสุก็เลยตายตายอยู่บนยอดเขาห้าองค์นี่คือพระทาหิยะทารุจริยะเนี่ยนะองค์หนึ่งว่างั้นเด็เมื่อท่านตายไปแล้วท่านก็ขึ้นไปอยู่ฉวันชั้นพรมของท่านแ่ะพอมาพระพุทธศาสนาอุบัติขึ้นในโลกคือพระโคตมะที่องค์ก่อนนี่คือท่านศาสนาของพระพุทธเจ้ากัจจปะนะ แต่องค์นี้พระโคตมะต่อไปนั่นคือพระสีอริยะเมตไตรต่อจากพระโคตมะไปเนะี่ยพระโคตมะอุบัติขึ้นในโลกพระวิญญาณของทารุจริยะที่เป็นพระภิกษุที่ไปนั่งภาวนาอยู่บนยอดเขานะ่ะมาเกิดนะพอมาเกิดมาชาตินี้ก็ไปเกิดอยู่ใกล้ใกล้กลฝั่งทะเลและเป็นพ่อค้าสเพาเป็นลูกน้องเขางหมืน่ะ ไปทำมาค้าขายต่างประเทศอย่างนั้นน่ะเอเอาสินค้าไปขายพอไปกลางทะเลสเภาแตกอ่านั้นอ่ะพอสเภาแตกทีนี้ทาลุจริยะเนี่ยก็ลอยคอได้ไม้กระดานแผ่นหนึ่งลอยน้ําทะเลเลยเล่ลอยคอน้าทะเลโอ้หลายวันก่ที่จะมาถึงฝั่งได้พอมาถึงฝั่งทีนี้ไม่มีเสื้อผ้าหลุดลุ่ยหมดไม่มีเสื้อผ้าเลย อายคนนลยะเลยเก็ไปเห็นปอผ้าปอนที่ปอที่เขามันอยู่ในฝั่งแม่น้ํานี่ยเท่าที่จะหาได้เพาะงั้นเลยมาแล้วก็มามาปิดปิดปิดปิดร่างกายของตัวเองที่มันจะละอายเลยแล้วก็เอาเสือกปอนี่พันพันพันเอาเชือกพันพันเอาไ ว, ว้เพางั้นพันตัวเอาไว้จากนั้นคนทั้งหลายก็เห็นโอ้อันนี้พระลหันเนี่ยเป็นผู้มักน้อยฉันโดดเห็นไหมมีแต่กระดาษมีแต่ ภาพปิดที่ของละอายตัวเองเท่านั้นแหละเอาเชือกพันๆหุ้มเอาไว้นี่แหละเป็นผู้สันโดดที่แท้จริงอันนั้นคือพระละหันเขาไม่ว่าเขาไม่ได้ถามว่าตัวเองลอยคอมาได้จะนั่ง เ, เอาเอาอาหารมาให้เอาอาหารมาถาวายจะนี่พาพายญียนี่ก็ทอเขาอาหารมาถาวายกันได้กินอาหารเลยเลยอิ่มหมีผีมันออ อาชีพนี่ก็ดีเหมือนกันเนว่าอาชีพแก้ผ้าเนว่าเพราะว่าเนี่ยอาหารแบบง่ายๆเนี่ก็เลยยึดอาชีพนั้นต่อมาเท่นี่เออยึดอาชีพที่ว่าไม่นุ่งผ้าท่นี่แล้ะเขาของที่มักน้อยสันโดดอย่างที่ว่านะคนทั้งหลายก็นับถือเรื่อมไสโอมากเลยท่นี้ทวีคูณขึ้นเรื่อยๆเพรางั้นจะเห็นว่าท่านองค์เนี้ยดูสีคนเนี้ยคนคนเนี้ย นิคนคนนี้เป็นผู้มีตปะอันแก่กล้าเเผยเผยยังยืนขาเดียวให้เขาดูอีกเมื่อนั้นแหละว่าแขนกินอากาศอีกต่างหากงั้นแหละจากนั้นก็คน ท, ทั้งหลายนับถือเรื่มใสแต่นี้พรมที่เป็นสุดทาว่าที่ภาวนาด้วยการบนหลังเขาน่ะแต่พระหันท่านไม่ว่าท่านนิพพานไปแล้วแต่พรมขึ้นไปเกิดอยู่ชั้นพรม ลงมาเอพาหิญะเนี่ยไปในทางผิดแล้วเป็นวิสาทิติแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ลงไปแก้ไขเนี่ยพาหิญะจะไปหนักนะตกนรกนะทั้งที่ตัวเองก็ารู้รู้แก่ใจว่าไม่ได้สำเร็จเป็นพระหันแต่เนี่ยเขายกย่องว่าตัวเองเป็นพระหันก็เลยเป็นพระหันไปเลยเพราะงั้นเอะพอหากินแบบนี้มันง่ายดีต้ม ต, ตุนเขานะ ทั้งที่ในจิตใจแล้วไม่ใช่พระหันเป็นผู้ล ะ, ละกิเลสราคะโทสะโมหะ<ม>ไม่ใช่พายะทำผิดทางแล้วเนี่ยเป็นมิจฉาทิฐิจากนั้นเพื่อนก็ปลาหนีว่า ง, งั้นที่เป็นพรมอยู่ชั้นพรมก็เลยลงมาจากชั้นพรมลงมาก็าอยู่ในอากาศเป็นเป็นเทวดานะพายะเลยก็มองเดือบขึ้นไปเธอรู้แก่ใจว่าเธอก็รู้แก่ใจว่าไม่ได้สาเร็จเป็นพระหรัน ความเป็นมาของเธอเป็นอย่างไรกระเพราแตกไม่ใช่เหรอลอยคอมาไม่ใช่เหรอแล้วลมาถึงจุดนี้แล้วทำไมถึงเธอจึงโกหกต้มตุ๋นหลอกลวงพี่น้องประชาชนเขาถ้าว่าเธอทำอย่างนี้ออกจากชาตินี้ไปเธอตกนรกนะต้มตุนเขานะรู้ไหมควรจะปรับปรุงแก้ไขตัวใหม่เดี๋ยวนี้พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วในโลกดูที่กรุงสวัสดี มีพระสงฆ์สาวกพร้อมอันนั้นแหละให้ท่านไปศึกษาให้ให้ท่านเข้าไปศึกษาให้ไปเรียนรู้และปฏิบัติท่านจะได้สําเร็จมรรคผลพอพูดเท่านั้นแหละพร้อมก็หายเงียบไปเลยอันนี้โอ้เกิดความสลดสังเวชใจอย่างใหญ่หลวงเลยใช่ท่านพร้มเทวดาเนี่ยมาบอกข้าพเจ้าถูกหมดทุกอย่างเลยข้าพเจ้าจะต้องเดินไปกรุงสวัสดีเดี๋ยวนี้แหละ จากนั้นก็หาเสื้อผ้าได้หนุ่งเรียบร้อยพอสมควรเลวก็เดินอ้าวเลยกรุงสวัสดิ์ถีอยู่ทางไหนเหมือนกันเถะเดินทั้งวันเดินทั้งคืนไม่หยุดไม่หย่อนเลยเหนันเถอะเพราะว่าชีวิตของเราเป็นของไปเคี่ยงแท้แน่นอนอาจจะหดล้มหายตายจากเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เพราะนั้นเราจะเป็นนอนใจนอนจมในชีวิตนี้ไม่ได้เพราะท่านภาวนามาก่อนนะเนบนหลังเขา เ, เห็นไหมท่านภาวนา ใจิตใจของท่านแต่ยังไม่สําเร็จว่า ง, งั้นะแต่ท่านพยายามมีมีความพยายามอย่างมากอยากจะได้สําเร็จแต่มันไม่สําเร็จในชาตินั้นแต่พอมาชาตินี้เนี่ยพอได้ยินพรมพูดเท่า น, นั้นแหละภายะเนี่ยก็เดินอ้าวอย่างนั้นเล ย, เนยขนาดไปถึงวัดป่าเชตะวันมหาวิหารพระพุทธเจ้ายังยังไม่เสด็จกลับนะอยู่ในกรุงสวัสดีอยู่กําลังไปบิณฑบาตพร้อมกับพระสงฆ์ ทายาเนี่ยก็เข้าไปถามพระที่กลับมาก่อนเหมือนนเน่ยครับกลับมาก่อนฉันยังหันก่อนก็ถามครัพระคุณท่านพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนครับท้าส่งก็บอกว่าที่พระพุทโธงกำลังเสด็จบินธบาตอยู่ที่กรุงสวรรค์ถียังไม่กลับมาโยมมาจากไหนอะผมมาจากท่าน้ำครับติดทะเลโหมาจากไกลเนี่ยเอาพักผ่อนซะก่อนเอาพักผ่อนก่อนเอา้อเอาดื่มน้ําดื่มท่าซะก่อน เอาน้ำมันฉลบเท้าซะก่อนเพราะเดินทางไกลเขากลัวจะเท้าพองอะ่ะคนคนนั้นก็ปฏิบัติตามดื่มน้ำเสร็จแล้วเอารอที่รอที่นี่ก่อนนะเดี๋ยวพระพุทธเจ้าจะเสด็จมาท่านไปบินาบาทเสร็จแล้วสวยปกยาหารเสร็จแล้วท่านก็จะกลับโอ้ยไม่ได้ชีวิตของผมไม่เที่ยงแท้แน่นอนอาจจะตายเดี๋ยวนี้ก็ได้ถ้าตายเดี๋ยวนี้ผมยัไม่ได้กราบพระพุทธเจ้าเพราะนั้นผมจะต้องรีบไปชีวิตของผมไม่เที่ยงแท้แน่นอน ไม่รู้จะตายเมื่อไหร่อา้าวตามสบายใง้พายแยากเดินอ้าวเลยไปเขาเดินเข้าไปในกรุงสวกวถีเห็นพระสงฆ์บินทบาทพระพุทธเจ้าพร้อมกับพระสงฆ์เดินบินทบาทในเมืองเมื่อนันพ่อไปเห็นเท่านั้นน่ะให้เข้าว่าท่านเคยเป็นพระมากอ่อนเยใช่ไหเคยเป็ น, ปนพระภิกษุมา ก, ก่อนแต่ในศาสนาของพระพุทธเจ้ากัจจปั พอเห็นท่านั้น น, ะน้ำตาไหลาอาบแก้มเลยวงั้นเถอะน้ำตาไหลาผาเลยโอ้โหเห็นพระพุทธเจ้าเห็นพระสงฆ์อะไรนี่ว่างั้นใครว่าปีติท่วมทน้นหัวใจอย่างมากเลยพูดอะไรสึกสื่ื่นเลยว่างั้นเถอะทีแรกเขาไปกราบพระพุทธเจ้าพอกราบไปปนมมือบอกข้าพระองค์ขอถามปัญหาขอฟังเทศพระพุทธเจ้าด้วยเถิดนะพระพุทธเจ้าบอกว่ า, วายังไม่ใช่การภ า, ยยานะียะนลย พอพระพุทธองค์มองดูหวัวใจของภายยะเนี่ยเตรียมเปลี่ยมล้นไปด้วยปีติเพราะงั้นอะปีติคือความอิ่มใจคนที่จะอึดเซื่องอยู่จะไปสอนธรรมะจะเข้าใจได้ยังไงใช่ไหมพระพุทธองค์ว่ายังไม่ใช่การภายยะน่ยพระพุทธองค์ก็เดินไปอีกไนงะพอเดินไปอีกภัยะก็ถามอีกขอพระขอพระพุทธองค์ทรงสแสดงธรรมให้ข้าพระองค์ฟังด้วยเถิดเพราะข้าพระองค์ไม่ไว้ใจในชีวิตของข้าพระองค์ ไม่รู้จะล้มหายตายจากเมื่ อ, อไรอาจจะไม่ได้ฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าขอพระองค์ปโปรดข่าพระองค์โดยเทอดยังไม่ใช่การพาหิยะใครท้าวาปีติไปยังยังไม่ลดปริมาณแต่ก็ลดปริมาณลงบ้างแล้วว่างั้นแต่แต่ยังไม่พร้อมที่จะแสดงธรรมได้ปีติยังยังท่วมท้นอยู่จากนั้นไปพอครั้งที่สามหมดท่าล้ใครท้าวความปีติท่านอิ่มใจนั้น จะอึกเสื่อื่นนั่นหายเหมือหายลงไปแล้วไปกราบพระพุทธเจ้าอีกพระพุทธเจ้าเอายืนเราจะพูดให้ฟังาพาหยะก็ยืนต่อหน้าพระพุทธเจ้าพระองค์บอกว่าเห็นแต่สักว่าเห็นรู้แต่สักปรู้อย่าไปให้ความสำคัญในการรู้การเห็นนั้นาพาหยะพระพุทธเจ้าตัดเพียงเท่านั้นหละพาหยะได้สําเร็จเป็นพระอรหันต่อพระพักพระพุทธเจ้าเหมือนนนะพอได้สําเร็จเป็นพระอรหันแล้วก็พระพุทธองค์ก็มองดูนะ เราจะเรียกเอหิพิกขุได้ไหมเนี่ยคือพระพุทธเจ้าถ้าได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วท่านจะเอหิพิกขุอุปสปัมปทาท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดทำเรากล่าวดีแล้วท่านจงประพฤติผมมาจันทร์เท่านั้นแหละพระค้าบอกผมก็หล่นลงไปร่วงลงไปบริขารลอยมาเลยกระนุง่งห่มเหมือนกับพระภิกษุร้อยพันสาเหมือนกันเถะเหมือนพระภิกษุเก่าแก่เลยเหมือนกันเะเพราะท่านมีอุปนิสัยเก่ามาแล้ว ท่านได้สำเร็จเป็นพระทหารบริขารลอยมาแต่นี้พระพายยะเนี่ยพระพุทธองค์มองอุปนิสัยมองดูบุญบา ร, รมีของพระภายยะไม่เคยจัดบริขารให้หมู่พวกเพื่อนเลยที่บวชในศาสนาพระพุทธเจ้ากัจจปะสอง0 0ื่นปีเนี่ยไม่เคยขนขวายไม่เคยจัดบริขารไม่เคยดูแลเรื่องบริหารให้หมู่พวกเพื่อนมีมาแล้วก็ใช้ตัวเองแล้ก็จบไปจบไปแล้วก็ใช้ไปแล้วก็ไม่เคยดูแล พวกเพื่อนเลยเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์บอกว่าเรียกเอหิไม่ได้เพราะว่าไม่มีไม่มีบา ร, รมีไม่มีบุญในเรื่องนี้พระพุทธองค์บอกว่าภายะเธอจงไปสา ะ, ะ, ะแสวงหาบริขารก่อนครบแล้วยยังค่อยบวชนะภายะนะนี่แหละเรียกว่าการจัดดูแลบริขารให้พระเข้ามาบวชนี่มันเป็นอุปนิสัยนะเป็นบุญเป็นกุศลอันนี้ท่านพูดมา อยู่ในตำราบเป็นไปได้อย่างไ น, นจากนั้นพระพายะทั้งกอดเดินออกไปจาก พ, พระพักพระพุทธเจ้าไปหน่อยหนึง่งพระพุทธเจ้าผ่านไปแล้วมีวัวบัวตัวเมียมันคงจะหวงลูกมันมากเคยเป็นคู่อาฆาตกันในอดีตชาติคือตะก่อนวัวตัวนี้ก็เป็นเนี่ยเป็นผู้หญิงหากินเหมือนกันนตะภายาเนี่ยแตเป็นลูกเศรษฐีเอาเงินให้เขาเสร็จแล้วกันนั่นนะพระนิสุกเลย เอาเงินเอาทองให้เขาผลที่สุดก็เลยเสียเงินกลัวเสียเงินเสียทองก็เลยฆ่าเขาเหมือนันน่ะฆ่าเขาฝังดินไ้เลยเหมือนันน่ะแต่นางคนนั้นเขาก็เลยปรารถนาว่าข้าเพเจ้าเกิดมาพบใดชาติใดขอให้ข้าเพเจ้าได้ฆ่าพวกนี้ทั้งสามคนนะฆ่าพวกนี้ทุกภพทุกชาติเนี่ยนีแหละการจองเวรเวรจะระงับได้ด้วยการไม่จองเวรเวรจะระระงับไม่ได้ด้วยการจองเวร เนี่ยะเมื่อตัวเองไปทําให้แก่เขาเขาจองเรียนเราถึงทั้งที่เราอํานวยความสุขให้แกศสูเจ้าแต่สู้เจ้ากลับมาฆ่าเราทิ้งไงขอให้พบใดชาติใดขอให้ข้าพเจ้าได้ฆ่าพวกเจ้าทุกพบทุกชาติที่สูเจ้าเกิดมาเพราะนั้นเกิดมาชาตินี้ยาเอนางคนนั่นก็มาเกิดเป็นวัวเหมนพระพายยะกระเดินโตเตะไปเพื่อจะหาบริการอาถรบริการวัวตอนนั้นก็ได้โดด ชนเลยควิดเลยพายยะก็เลยตายเหมือนกันนะพอตายพระพุทธองค์ไปฉันปิณฑบาตเดินผ่านกลับมาเห็นแต่พ า, ายยะนอนกองออกเนกะเหมือนกันจู่ข้างถนนคนทั้งหลายก็ดูๆแต่ในพระพุทธองค์บอกว่าเออภิกษุทั้งหลายเธอต้องหาเฉลียงหาเตียงเอาพายยะเอาไปเผาวัดป่าเชตตะวันพระสงฆ์ทั้งหลายก็เลยเอาเตียง ถามพระภายะเข้าไปไปไปชุมเพลิงพอไปชุมเพลิงเสร็จเรียบร้อยแล้วพระสงฆ์ก็ถามถามพระพุทธเจ้าว่าพระพายะได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าเฉพาะพระพักน่ะเวลาเดี๋ยวนี้เขาตายแล้วเขาไปเกิดที่ไหนหน้อไปเจ้าขาพระพุทธองค์ว่าภายะปรินิพานแล้วเป็นไปได้หรอพระพุทธองค์เพียงพูดเพียงสองบาดสามบารพระคาถาตนเอง ผูพ้พระเจ้าถึงจะพูดคำเดียวสองคำก็ตามถ้าคานั้นถึงใจถึงใจผู้ปฏิบัติธรรมถูกแนวทางของผู้ปฏิบัติธรรมคานั้นล่ะมีประโยชน์มากถึงจะพูดทั้งวันทั้งคืนก็ตามแต่พูดแล้วมันไม่เข้าหูผู้ฟังคําพูดนั้นไม่เกิดประโยชน์แต่คตาําพูดใดก็ตามถ้าผู้ฟังไปแล้วกินใจถูกใจเข้าใจ ได้ทำคำสอนคำนั้นเพียงคำเดียวเท่านั้นแหละเปิดเกิดประโยชน์นี้ก็เหมือนกันพระพาหิยะท่านเป็นพระในครั้งศาสนาของพระพุทธเจ้ากัจจป h a r ก่อนท่านบำเพ็ญมาจนฝึกฝนมาจนเบาบางเต็มที่แล้วแต่ท่านไม่ได้สำเร็จแต่พอได้ยินอัดธรรมของเราว่าเห็นได้สักพเห็นรู้แต่สักเพรู้อย่าให้ความสาคัญในการเห็นในการรู้นั้น เพียงแค่นั้นท่านก็ปล่อยวางในจิตใจของท่านท่านก็จะสำเร็จเป็นพระอรหันต์พระนภายยะเป็นพระอรหันต์นะเป็นพี่ของพวกท่านทั้งหลายนะเอาประชุมเพลิงนี่แหละเมื่อประชุมเพลิงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อธัธิษฐานของท่านเอาไปไว้ในทางสีแพ่งหรือเอาเป็นทำเป็นสถูปเจดีย์ไว้กราบไหว้ได้เพราะท่านเป็นพระอรหันต์แล้วท่านหมดจดจากกิเลสแล้วนะอันนี้ก็คือจุดหนึ่งเหมือนกัน สรุปแล้วก็คือกรรมชั่วอย่าทำเสียเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้นย่อมผาผ่านเมื่อภายหลังเขาจะต้องจองกรรมจองเวียนเราเมื่อภายหลังเพราะนั้นอย่าคิดอย่าไปคิดว่าเอาชนะคนแล้วจะเป็นผลดีสําหรับตัวเองไม่ใช่นะเอาชนะคนได้นะเหมือนกับ น, นางยักษกินีเหมือนกับนางผู้หญิงหากินคนนั้นหละเขาจองเวีนเข้ามาค่าทุกพบทุกชาติมาเลยไม่รู้กี่ชาติมาแล้วว่างั้น่ะ แต่ตามไม่จริงก็ฆ่าไปมากๆบางครั้งคงจะร้อยหลอไปเรื่อยๆเหมือนกันนะนะอันนี้ท่านก็ไม่ได้พูดถึงว่าฆ่ากันมาแล้วกี่ชาติไปงนั้นแต่ชาตินี้ก็โดนฆ่าทั้งสามคนนั่นที่ไปเอาเอาผู้หญิงคนนั้นนะอันนี้แหละคือเขาจองเวรเขาจองเวรถึงเราจะไม่จองเวรกับเขาก็จริงแต่ว่าเราปรทําให้เขาเจ็บใจเขาจองเวรเรานะี่ก็เลย พระพายยากเลยโดนโวกฟิตาตายท่านที่ท่านในเป็นพระหานแต่ท่านก็ไม่เสียใจล่ะท่านท่านเป็นพระรหานแล้วเนี่ยเหมือนกับทิ้งพาชนะดินท่านไปรับภาชนะทองคําประดับด้วยเพชรนินกินดาอีกต่างหากเพราะท่านเป็นพระหานแล้วจัดใจของท่านบริสุทธิ์แล้วหมดจดจากกิเลสแล้วไม่มาเกิดอีกแล้วชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของแล้วของท่านแล้ว นิพพานังปรามังสุ ข, ขังนิพพานังปรามังสุญญ์ยังเพราะนั้นพวกเราทุกท่านนะที่หลวงพ่อพูดให้ฟังคือเป็นแนวทางเป็นแนวความคิดสําหรับพวกเราได้ฟังได้ศึกษาทางว่าพวกเราขนขวายบริขารอธิบริขาบบรขาเป็นบุญเป็นกุศลและก็พออกร้อมกันก็เป็นพระผี่เลี้ยงดูตำแบบํตำรับตําราหนังเส่นหนังซืออะไรบ้างให้ให้แก่พระที่เขามาบวชใหม่หลวงพ่อว่า มันก็เป็นการเอื้อเฟื้อเอื้ออารรต่อพวกที่เข้ามาบวชใหม่ก็เป็นบุญเป็นคุอสนของพวกเราอีกเหมือนกันนั่นแหละนะ